เจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นมนคาคมที่13าพฤศจิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดวันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาให้อาหารแก่จิตใจคือการทำบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจวัดก็เป็นเหมือนร่างอาหารของใจอาหารของใจนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกับอาหารของทางร่างกายพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อยู่สิประการด้วยกันคือหนึ่ง บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานเช่นอนิญาตโยมนำเอาเข้าวของเงินทองต่างๆมาให้เรียกว่าวัตถุทานถ้าเอาวิชาความรู้มาให้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าเอาธรรมะมาให้เช่นเอาหนังสือธรรมะมาแจากก็เรียกว่าธรรมทาน ถ้าให้อภัยไม่โกรเครืองโกรแค้นก็เรียกว่าอาภัยทานถ้าทำแล้วก็จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขบุญชนิดที่สองเรียกว่าบุญที่เกิดเกิดจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกฎอันี ไม่พูดปดไม่เสพสรารยามเมาดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปเบื้องต้นแล้วอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มนะบุญข้อที่สามเรียกว่าภาวนาคือการพัฒนาจิตใจถ้าทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถภาวนา ถ้าทำใจให้ฉลาดก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาตอนที่เราจะเจริญวิปัสสนาภาวนาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงได้เราต้องมีใจที่สงบก่อนเพราะใจที่สงบจะเหมือนกับแว่นตาที่ได้รับ ก, การเช็ดให้สะอาดถ้าแว่นตาสะอาดมองสายแว่นเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความเป็นจริงได้ใจของคนที่ยังไม่มีความสงบยังเป็นใจที่มีความขุ่นบัวไปด้วยความหลงโมหะจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวแต่ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วก็จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นกงจากเป็นกงจาก เห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์ก่อนจะเห็นเห็นอย่างนี้เรียกว่าวิวปัสสนาภาวนาก่อนจะเห็นได้ก็ต้องทําใจให้สงบ ก, ก่อนต้องทําสมถธิภาวนาก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธสวดมนต์ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้ใจก็จะสงบ พอสงบแล้วก็สอนใจว่าอะไรเป็นทุกข์เช่นเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์พัดพลาดจากการนี้เป็นทุกข์ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์เสียในสิ่งที่รักไปก็เป็นทุกข์ให้รู้ไว้อย่างนี้เพื่อต่อไปจะได้ไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่คือเรื่องของภาวนา ถ้าปฏิบัติภาวานาได้อย่างเต็มที่ก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้ามีจิตใจที่สหาดบอยสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอบุญข้อที่สก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญอย่างที่ท่านทั้งหลายเตรียมน้ำเอาไว้เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญความจริงไม่ต้องมีน้ำก็อุทิศได้ พอน้ำไม่ใช่บุญบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ความอิ่มใจสุขใจที่ได้จากการถวายทานที่ได้จากการรักษาศีลที่ได้จากการเกิดปัญญาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมมีสัมมาทิฏฐิเราสามารถอุทิศบุญเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ มีน้ำไม่มีน้ำไม่เป็นไรไม่สำคัญสำคัญว่าต้องมีบุญหรือไม่มีบุญถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วเอาน้ำมากรวดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะน้ำก็ย่อมเป็นน้าอยู่อย่างนั้นย่อมน้ำนี่ก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้แต่ไม่เป็นประโยชน์กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขาลอรับ บุญที่เกิดจากการให้ทานดังนั้นเวลาเราทําบุญถวายข้าวของอะไรต่างๆเราก็อุทิศได้เลยไม่ต้องรอให้พระมาสวดพระจะสวดไม่สวดคนละเรื่องกันสวดก็ก็ได้ไม่สวดก็ได้เพราะการสวดของพระนี้เป็นการสอนสอนว่าบุญที่คุณทําอยู่นี้คุณสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ นี่คือเวลาที่พระให้พรดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเราไปทำบุญทำให้ทานแล้วไม่มีพระมาสวดให้เรานี่จะไปคิดว่าเราอุทิศบุญไม่ได้เราอุทิศได้เพราะเราได้ทำบุญแล้วเช่นเราไม่ได้มาวัดแล้วเราทำบุญกับพ่อกับแม่อย่างนี้เราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทำกับพ่อกับแม่ ไ, ได้ดังนั้นเราจ้องเข้าใจว่าการอุทิศบุญนี้อุทิศด้วยบุญไม่ใช่อุทิศด้วยน้ำไม่ได้อุทิศด้วยการสวดของพระการสวดของพระนี้เป็นการแสดงอนุโมทนาชื่นชมกับความการกระทําความดีของเราแล้วก็สอนเราไปในตัวเช่นคำว่าญาถานี่แปลว่าบุญท่านบุญที่ทําในวันนี้ ท่านสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่เร่วมรับไปแล้วได้ส่วนสัพพีนี้หมายถึงการให้พรผู้ที่ทำบุญให้อนุโมทนาแสดงความยินดีว่าบุญที่ทำในวันนี้จะเป็นทำให้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญด้วยอายุวันสุขภาะจึงมีคำพูดที่เรียกว่าญาถาให้ผีสัพพีให้คน เวลาพระตั้งกล่าวคำญาถาก็เป็นเวลาที่ญาติยมจะเทน้ำกวดน้ำอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพอพระเริ่มสวดสัพพีเราก็เทน้ำให้หมดแล้วก็นั่งพนมมือรับพรสัพพีให้คนญาติฐานให้ผีเวลายาถานี่ก็ให้เรากวดบุญกวดกวดน้าอุทิศบุญให้แก่ผีคือผู้ที่ตายไปแล้ว พอพระเริ่มสวนสัพพีก็รับแล้วก็พนมมือรับพรเพราะสัพพีนี้สวนให้คนที่มาทำบุญให้ได้มีเจริญด้วยอายุวันนัสุขะภาละนี่คือเรื่องของบุญอุทิศทำแล้วก็จะทำได้ประโยชน์สองขั้นเราได้ความสุขเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเราได้บุญจากการทำทานแล้ว เราไม่หวงบุญเราแบ่งบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปเราก็ได้บุญอีกขั้นหนึ่งก็บุญที่เกิดจากบุการอุทิศผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้เพราะเขาเป็นเหมือนขอทานเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทําบุญไว้นั่นเองเวลาตายไปก็เลยต้องมาวนเรียนอยู่ใกล้ๆญาติพี่น้อง มาขอส่วนบุญแต่คนที่ทําบุญอยู่เป็นประจำนี้เวลาตายไปแล้วจะไม่ได้มาเป็นขอทานจะไม่ได้มารอรับบุญเพราะเขาเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็คือพวกเทวดาทั้งหลายลวกนี้เขาไม่ต้องรับบุญของเราแต่ถ้าเขาทราบเขาก็จะอานิโมทนาขอบอกขอบใจที่ยังอุตส่าห์คิดถึงเขาอยู่ยังรักยังเป็นห่วงเขาอยู่ แตเ่เขาจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเราสบายแล้วเราสบายกับพวกเธอสิ อ, อีกพวกเธอยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องแก่ยังต้องตายเรานี้ไม่แก่เราไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีแต่จะถ้าบุญของเราหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เท่านั้นเองนี่คือเรื่องบุญที่เกิดจากการอุทิศ ล้วบุญต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเช่นเวลาใครเขาไปทำบุญเราอย่าไปขัดขวางบุญของเขาอย่าไปว่าทำไปทำไมทำไปไม่ได้อะไรเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเราไม่เชื่อเราก็ขู่ปากเอาไว้อย่าไปทำให้คนอื่นเขาอย่าไปขัดศรัทธาคนอื่นไม่ดีแล้วเราก็ไม่มีความสุข ถ้าเราเห็นใครทำบุญแล้วเราอนุโมทนาชื่นชมยินดีไปด้วยส่งเสริมเขาว่าเออดีขออนุโมทนาขอให้ทำบ่อยๆให้กำลังใจเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขและยิ่งถ้าจะให้ดีก็ฝากเงินไปทอทำบุญร่วมด้วยเราก็จะได้บุญสองกระตงได้บุญที่เกิดจากการให้และได้บุญจากการที่อนุโมทนาบุญ นี่คือบุญชนิดที่ห้าชนิดที่หก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น เ, เวลาที่เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขารับใช้เขาเช่นเห็นคนแก่เดินข้ามถนนก็สงสารก็ช่วยพาเดินข้ามถนนเห็นขอทานอดอยากขาดแคลนก็ ให้เงินให้ข้าวเขาไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคไม่มีหมอก็พาไปหาหมอพาไปหายาเห็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยพอที่จะช่วยหาที่อยู่อาศัยให้เขาอยู่ได้มาวัดเห็นวัดสกปรปกก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกว่าห้องน้ํามันสกปรปกก็ช่วยกันล้างไม่ใช่ช่วยกันใช้ช่วยกันทําให้สกปรปก เมื่อมันสกปรกเราต้องรีบช่วยโอากาศว่าอันนี้เป็นบุญของเราแล้วเป็นโอกาสอันวิเศษที่เราจะได้ทําบุญการล้างซ่วงล้างอะไรให้กับวัดวาลามก็เป็นการทําบุญเช่นล้างถ้วยล้างชามอย่างนี้ก็เป็นบุญกวาดถูสารากวาดลาน ว, วัดอย่างนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นคือรับใช้สังคมรับใช้วัดนั่นเอง บุญต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการทําตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้เป็นผู้มีความเคารพสัมมาคารวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำเห็นผู้ที่สูงกว่าก็ควรที่จะให้ความเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตาญายผู้ที่มีอายุสูงกว่า เรียกว่าผู้ที่มีวุฒิที่สูงกว่าอายุที่สูงกว่าหรือผู้ที่ฉลาดกว่าก็คือผู้ที่มีวุฒิที่สูงกว่าขอให้เราทำตัวอ่อนน้อมไว้เพราะจะเป็นที่รักของผู้อื่นถ้าทำตัวไม่เป็นผู้อ่อนน้อมเป็นผู้แข็งกระด้างเป็นผู้ถือเนื้อถือตัวเป็นผู้ที่ยิงย่าโสอวดเก่งอวดดี อันนี้จะเป็นโทษกับตนเองเพราะจะไม่มีใครเขาจะอยากจะคบค้าสมาคมด้วยจะไม่มีใครอยากจะให้ความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเก่งแล้วอดดีอดเก่งแล้วก็ต้องแสดงว่าเก่งต้องดีไม่ต้องให้ความช่วยเหลือแต่คนเรานี้เราไม่แน่นอนวันดีคืนดีเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากลำบากลาบุญก็ได้ ถ้าเราทำตัวของเราให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะก็จะเป็นก็จะมีผู้ที่ยินดีที่จะช่วยเหลือเราทันทีนี่ก็คือบุญก็คือความสุขเวลาที่เราเหนื่อร้อนก็จะมีผู้เหนียวแลเราดูแลเราบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องก็อย่างที่พูดว่าเห็นว่าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ทุกวันนี้พวกเราเห็นกับตาลับัดกันเราเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสุขว่าเป็นทุกข์เช่นเห็นอะไรที่ว่าเป็นเห็นทุกข์เป็นสุขก็เห็นว่าการมีสามีมีภรรยานี้เป็นความสุขความจริงมันเป็นความทุกข์กมาพอมีสามีภรรยาแล้วก็จังมา ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเวลาทะเลาะวิวาดกันก็ทุกข์เวลาขัดใจกันก็ทุกข์เวลาจากกันก็ทุกข์เวลาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าอยากจะมีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทรงสอนให้เราเห็น ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอบายามุกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการเดือดุ่ยเร่ายาวเมานี้ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะเดือดุ่ยเร่านี้ต้องเสียเงินแล้วเราก็ต้องเสียสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเสียสติเสียสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็จะไม่ดี แล้วก็จะเสียสิ่งที่เราลับไปคือเสียสามีเสียภรรยาเสียครอบครัวเสียบุตรเสียทิดาเพราะถ้าถ้ากินเหล้าเมายาอารวาดแล้วก็ไม่มีใครอยากจะอยู่กับเราอยู่แล้วไม่มีความสุขนี่คือโทษของการดื่มสุราโทษของการเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันเล่นการพนันนี้ เวลาเล่นเวลาได้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นก็เล่นต่อพอเล่นต่อพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกก็ต้องไปกู้หนี้ยก็ต้องขายข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ขายไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วพอไม่มีอะไรจะขายก็ไปกู้หนี้ยืมสินพอกู้มาแล้วไม่มีปัญญาจะคืนเขาก็ถูกเขาตามค่าได้ โบราณ ท, ที่ท่านสูงสอนบอกว่าคำวยขึ้นบ้านยังดีกว่าเล่นการพนันเพราะมันเอาไปแต่ข้าวของบ้านมันเอาไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านนะก็ยังดีกว่าเล่นการพนันเพราะว่ามันได้ไม่ไม่แต่บ้านกับข้าวของแต่มันเอาที่ดินไปไม่ได้นะแต่คนที่เล่นการพนันนี้หมดเสียหมดมีอะไรขายหมดขายของแล้วก็ขายบ้าน ขายบ้านแล้วก็ขายที่ดินแล้วก็ต้องขายชีวิตของตนตามลาดับต่อไปนี่คือโทยของการเื่นการพนันขอให้เราพิจารณาให้ดีเตือนสติไว้เรื่อยๆเช่นเดียวกับการเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวเตยไม่ทำมาหากินอันนี้ก็มีแต่เสียเงินเสียทองอย่างเดียวการเที่ยว น, นี้ไม่มีไม่มีรายได้มีแต่เสียเราให้มีเงินกี่ร้อยล้าน ถ้าเที่ยวไม่ทำมาหากินหาเงิ น, ห า, นหาทองเราไปเงินร้อยล้านนั้นก็จะหมดไปเพราะมีแต่สีอย่างเดียวการความเกียรติค้านี่ก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าความเกียรติค้านี้ไม่ได้เป็นไม่ไม่สามารถทำให้เราผลิตรายได้ขึ้นมาได้คนที่อยากจะมีรายได้อยากจะร่ำรวยต้องขยันทำมาหากินขยันหาเงิ น, นห า, นหาทอง ข, ขยันประหยัดทรัพย เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ถ้าขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินก็จะไม่มีวันรวยขึ้นมาได้จะมีแต่จนไปตลอดเวลาความเกียจคร้านจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอบายอมุกแล้วอีกข้อนึงก็คือการครบคนไม่ดีคบคนชั่วเป็นนิดก็เช่นเดียวกันคนชั่วก็คือคนที่ชอบเสพายาเมาเทีสพติดเล่นการพนัน มีความเกลียดคร้านเนี่ยพวกนี้เรียกว่าเป็นคนชั่วคนพาลเอเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกัลมุมตัมมังอยากคบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะคบคนพาลแล้วจะทําให้เราชิบหายไม่ใช่เป็นมงคลให้คบกับคนที่ฉลาดคบกับคนที่ไม่ไม่เล่นการประ น, นันไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่เกียดคราไม่เที่ยวแตรถ้าคบกับคนอย่างนี้เขาจะชวนเราไปทําในสิ่งที่ดีถ้าเขาทางานเขาก็จะชวนเราไปทํางานถ้าเขาเข้าวัดทําบุญเขาก็จะชวนเราเข้าวัดทาบุญแต่ถ้าคบกับคนพานเขากินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเราเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเรากลัวเสียเพื่อนเราก็ขัดไม่ได้เราก็ต้องไปกับเขา พอไปกับพระแล้วเดี๋ยวก็เราก็ต้องเสียหายตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราศึกษาธรรมะฟังเทศอยู่เรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ตัดสั้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรเป็นโทษรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้ว เราจะได้ทาในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำบุญต่างๆมาให้ทานมารักษาสีลมาภาวนามาอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลมาอนุโมทนาบุญมารับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นมาทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถําตนมีสัมมาคารวะ นี่คือการกระทำที่ดีแต่คนโง่มักจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็นความทุกข์เวลาต้องเสียเงินรู้สึกเสียดายไม่อยากจะเสียเวลารักษาศีลก็รู้สึกว่ายากลำบากเวลาภาวนานั่งสมาธิก็ยิ่งรู้สึกยากลำบากใหญ่จึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแต่คนฉลาดนี่เขาจะเห็นว่าการกระทำเหล่านี้เป็นประโยชน์ เป็นความสุขยิ่งทําก็จะยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะมีความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ได้สมวนความสุขเป็นลิขิตส่วนตัวท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับท่านได้ถ้าเราทําตามที่ท่านสอนนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้อง จะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นบุญอีกข้อหนึ่งที่เราต้องทําก็คือหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันเพราะฟังเทศแล้วเราก็จะได้ฉลาดขึ้นนั่นเองจิตใจเราก็จะมีความสงบมากขึ้นเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ท่านบอกว่าจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยิน ตอเราได้ยินก็แสดงว่าเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเราฉลาดขึ้นอย่างวันนี้เราได้รู้เรื่องบุญที่พระเจ้าสรงสอนให้ทำเราได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนี่ก็เรียกว่าเป็นผลที่ได้จากการฟังทำคือฟังแล้วจะทำให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว เมื่อฟังบ่อยๆฟังซ้ำแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสจะทาให้เราหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้สี่ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นกงจักเป็นดอกบัวและาทำให้จิตใจผ่องใสทำให้จิตใจสงบ มีความเย็นความสงบความสบายนี่คือบุญที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมวิธีที่จะท่านได้รับผลของการฟังเทศฟังธรรมก็ต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิศีลก็คือความสงบกายสงบวาจาเช่นที่พวกเรากาลังทาอยู่อย่างนี้ถ้าเรานั่งเฉยเฉยไม่พูดอะไรแสดงว่าเรามีศีลแล้วเพราะตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้รักทรัพย์ เราไม่ได้ประพฤติผิดตัวเอดีเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้เสพสุรายาวเมาส่วนสมาธิก็คือความสงบตั้งมั่นของใจถ้าใจเราตั้งใจฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะมีสมาธิถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งใจฟังเวลาเท่ก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่ได้ยินก็จะไม่เข้าไปในใจ ก็จะไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่พ่ามัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าอยากจะฟังให้รู้เรื่องฟังให้ได้ผลก็ต้องตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังก็แสดงว่าใจมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเวลาฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาและอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้เหมือนกับในสมัยพระพุทธการที่เวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรม จะมีผู้ฟังแล้วบรรลุมังพนิพานขึ้นมาในขณะที่ฟังเลยเพราะผู้ที่ฟังนี้มีศีลมีสมาธินั่นเองเพราะเป็นนักบวชกันทั้งนั้นผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในยุคแรกนั้นเป็นนักบวชเช่นพระปัญจวัคคีย์นี้ก็เป็นนักบวชมีศีลมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาพอได้ยินได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้า ก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้เลยนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราตั้งใจฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการให้ธรรมะนี้ก็ให้อยู่สองลักษณะคือให้ด้วยธรรมะที่เราได้บรรลุเช่นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มีธรรมะไว้มาสั่งสอนให้แก่สัตวโลกท่านก็สามารถช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการเอาพระธรมรมคำสอนนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าพวกเรายังไม่มียายังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่มีธรรมะ แต่เราอยากจะแบ่งปันธรรมะที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เช่นหนังสือต่างๆที่เราได้อ่านแล้วเราเห็นว่าช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราก็อยากจะแบ่งปันธรรมะนี้เราก็สามารถทำได้ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆเอามาแจกมาให้แก่ผู้อื่น อย่างที่ญาติโยมได้มากระทํากันอยู่เป็นประจําเอาหนังสือมาแจกหนังสือดีๆมาแจกหรือมาช่วยพิมพ์หนังสือที่ที่แจกอยู่อันนี้ก็เป็นบุญเพราะจะทําให้เรามีความสุขใจและเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้สิ่ง อ, งอื่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี้ดีกว่าให้เงินร้อยล้านพันล้าน เพราะว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ได้สามารถทําให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราอยากจะให้อะไรใครก็ให้ธรรมะดีที่สุด แต่เราก็ต้องดูว่าคนที่จะให้นี้เขารับได้หรือไม่ถ้าเขารับไม่ได้ก็เสียประโยชน์ต่อไปเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนักสุนักมันไม่ชอบน้ามันก็จะสะบัดทิ้งไปหมดถ้าเราจะให้หนังสือธรรมะรือสอนธรรมะกับใครเราก็ต้องดูว่าคนที่จะรับธรรมะนี้เขาพร้อมที่จะรับหรือไม่ ถ้าเขาไม่ยินดีจะรับก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาอย่าไปสอนให้เสียเวลาอย่าให้หนังสือไปเสียเวลาเพราะเขาจะไม่อ่านรับไปแล้วเขาก็าวางไว้เฉยๆทิ้งไว้เฉยๆถ้าได้ยินได้ฟังเขาก็ฟังเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาเขาจะไม่น้อมนําเอาไปปฏิบัติประโยชน์ที่พึงจะได้รับก็จะไม่เกิดดังนั้นเวลาเราจะให้ธรรมะแก่ใครเราต้องดูก่อน ไม่ใช่เห็นใครก็เทศให้เขาฟังพูดให้เขาฟังตามหลักพระเจ้าสอนว่าต้องให้อาราธนาก่อนก่อนที่จะแสดงธรรมนี่ต้องมีการอาราธนาก่อนคือแสดงเจตจำนงว่าอยากจะฟังเทศฟังธรรมถ้าเขาไม่อยากจะฟังเทศฟังธรรมก็อย่าไปเทศให้เสียเวลาเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขน้ำก็จะถูกสบัดทิ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อย่างไร นี่คือเรื่องของการมาให้อาหารกับจิตใจถ้าเราสร้างบุญทั้งสิ ป, ประการนี้ จ, จิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าเจริญเ ต, ต, ติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับน้ำได้รับปุ๋ยถ้าเราคอยหมันรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามจนออกดอกออกผล ข, ขึ้นมาฉันใดใจของเราก็เช่นนั้นถ้าได้ทำบุญทั้งสิ ป, ประการนี้แล้ว ใจของเราก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับน่าจะได้ออกดอกออกผลได้บรร ล, ลุมรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้มาวัดมาทำบุญขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา